เรื่องหมอชีวกะหรือที่คนไทยเรียกว่าหมอชีวก น, นะครับพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในสวนมะม่วงของหมอชีวกทรงปรารบปัญหาอันหมอชีวกทุนถามแล้วความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระเทวทัตร่วมคิดกับพระเจ้าอาชาศัตรูขึ้นสู่ข่าวคิดจะกูดมีจิตคิดร้ายว่าจะลงพระชนพระสสดา จึงกลิงหินลงมาจากยอดเขายอดเขาสองยอดรับหินนั้นไวสเก็ตซึ่งแตกออกจากหินนั้นกระเด็นไปกระทบพระบาทของพระผู้มีพระภาคอย่างพระโลหิตให้ห่อแล้วเวทนากล้าได้เป็นไปแล้วหมอชีวกถวายเพสัต์ขณะที่จงดนักเพื่อกำชับแผลพันแผลเสร็จรีบเข้าไปทำการรักษาพยาบาลคนไข้ผู้หนึ่งภายในพระนครแล้วจะรีบกลับ เข้าไปในพระนครกลับมาไม่ทันประตูพระนครปิดตอนคำ่ำพลางคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาแก้ผ้าพันแผลออกถ้าไม่แก้ความเร่าร้อนในพระสรีระของพระพุทธองค์จะเกิดตลอดรุง่งพระาศาสดาทรงทราบด้วยพระญาณว่าหมอชีวกกลับมาไม่ทันประตูตรัสเรียกให้พระอานนท์แก้ผ้าพันแผลออกแผลนั้นหายสนิทดุจสเก็ดไม้หลุดออกจากต้นไม้ หมอชีวกกลับมาตอนรุ่งเช้าพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าความเร่าร้อนย่อมไม่มีแก่ท่านผู้มีทางไกลอันถึงแล้วหาความเศร้าโศกไม่ได้หลุดพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงผู้ละกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวงได้แล้วอธิบายว่าชื่อว่าทางไกลมีสองได้แก่หนึ่งทางไกลกันดานและสอง ทางไกลคือวัตตะอันทางไกลกันดานหากยังไม่ถึงที่ที่ตนปรารถนาเพียงใดก็ชื่อว่าเป็นผู้เดินทางไกลเรื่อยไปเพียงนั้นแต่เมื่อทางไกลอันเข้าถึงแล้วยอมเป็นผู้มีชื่อว่ามีทางไกลอันถึงแล้วส่วนทางไกลคือวัตตะหากตนยังอยู่ในวัตตะเพียงใดก็ชื่อว่าเป็นผู้เดินทางไกลเรื่อยไปเพียงนั้น แม้พระอริยบุคคลทั้งหลายมีพระโสดาบันเป็นต้นก็ชื่อว่ายังเป็นผู้เดินทางไกลเหมือนกันส่วนพระขีณาสวะหรือพระขีณาศกคือพระอาหารหันต์นั้นทำวัตตะให้สิ้นแล้วดำรงอยู่เป็นผู้ชื่อว่ามีทางอันถึงแล้วแก่พระขีณาสวะนั้นผู้มีทางไกลอันถึงแล้วผู้หาความเศร้าโศกไม่ได้ หมายความว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วในธรรมมีขันเป็นต้นทั้งปวงคือขันทวิมุตต์พ้นจากขันอันวัตตะเป็นมูลปราศจากไปแล้วความเร่าร้อนมีสองได้แก่ความเร่าร้อนทางกายหนึ่งและทางจิตหนึ่งอันความเร่าร้อนทางกายอันเกิดจากผัสสะซึ่งเกิดแก่พระขีณาสก ด้วยอำนาจแห่งภาษากระทบ ก, กายมีหนาวแล้วร้อนยังไม่ดับเลยแต่ด้วยความสามารถแห่งความเร่าร้อนทางจิตย่อมไม่มีแก่พระขีณาสกผู้เห็นปานนั้น